บุกทูหนึ่งรคอยิมคำวิเศษอัปสตาเคลาวารดิเคยยังไม่เคยยาเรสเวลเนคัต well คุณเคยไปเบอร์ลินหรือยัง ไม่ยังไม่เคยเลยครับ nee, well ใครไม่มีใครคุณรู้จักใครที่นี่ไหมครับไม่ผมไม่รู้จักใครที่นี่ครับ เน่เอสเตเนวิเอโเนปซิสตุอีกนิดอีกไม่นานเวลวอร์สเนคุณยังอยู่ที่นี่อีกนานไหมไวยูสเตเวลิลกิโพลิกเซตไม่ผมอยู่ที่นี่อีกไม่นานครับเน่เอสเตวอร์สิลกิเนปลิกชู อะไรอีกไม่อีกแล้วคคุณอยากดื่มอะไรอีกมไไม่ผมไม่อยากดื่มอะไรอีกแล้วครับออะไรบ้างแล้วยังไม่เลย เวลในขั well, คุณทานอะไรมาบ้างแล้วใช่ไหมวายยูสเยาเก้าขัวเอสัดเอดิสไม่ผมยังไม่ได้ทานอะไรมาเลยครับเนสเวลในขัวนาสโมเอดิสมีใครอีกไม่มีใครอีกแล้วเวลคัตส์วายสเนวิส มีใครอยากรับกาแฟาอีกไหม้ i e l g o t t s Walla Coffee ไม่ไม่มีใครอีกแล้วครับเน่ v i e s n e v e n s การุณาไปที่ w w w b o o k t o d e สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด